คุณยาย15บาบาทมีเรื่องประทับใจที่ผูเวียงตอนนั้นหลวงตาจะไปเทศที่ชุมแพผมได้เด็กๆที่ชุมแพอาสามาช่วยกันแจกต้นผาป่าก่อนแจกผมก็ต้องอธิบายวิธีการและย้ำเรื่องกฎเกณฑ์กับเด็กๆว่าเวลาแจกต้นผาป่าเราจะแจกอย่างเดียวแล้วให้ชาวบ้านนำไปถวายกับหลวงตาเอง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 ฉนั้นต้องไม่รับคืนต้นพัพป่าเงินทาบุญก็ห้ามรับมาเด็ดขาดครั้งนั้นหลวงตาท่านไปเทศที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแกน่นเป็นที่แรกในงานรับพัพป่าช่วยชาติผมจำวันเดือนปีไม่ได้แล้วคนชุมแพรมาช่วยกันประมาณ 6-7 ถึงคนแยกกันไปแจกต้นพาพป่าต่างคนต่างไปแจกมีอยู่กลุ่มนึงเข้าไปแจกในหมู่บ้านหนึ่งที่อาเภอภูเวียง